สปาไม่เก่าว่านนเนครับช่วงนี้ไปไวแล้นไม่ยากนะครับสปานม้กับว่าสุท้าบขึ้นได้สองข้อเนวันนั้นสปาไม่กับว่าขึ้นได้สองข้อนะครับในการขาหน้ามีบทวิธีหน้าร้อยเจ็ดสิบเก้า่้อเจ็ดสิบเก้านะครับข้อสิบข้อสิบเอดหกสิบสองมาว่าไปแล้วใช่ไ เะกินหงสิบสานะครับ63สิครับพิสุรูปใดรู้อยู่พึงโกลิดอาบัตที่ยากสังฆาทิเศษของพิสุต้องอาปัตปันเฮ้ยอุ้ยแฝดอะไรไม่แฝดหงศีน่ะพิสุรูปใดรู้อยู่ พึงรื้อฟื้นอธิกรที่ละงับแล้วต่างสมควรแก่ทำโดยถูกต้องเพื่อทําใหม่ต้องอาบัตปาจิตตินีนะครับท่านบอกพิสุใจรู้พึงรื้อฟื้นอธิกรอธิกรณ์มีสี่อย่างนะครับคือพิวัาน์อธิกรณ์นี่ก่ออธิบายของวิวัฒนอธิกรณ์ในเกี่ยวกับการทะเลาวิวาทกัน เรื่องธรรมเรื่องวินัยนะครับว่านี้เป็นธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมนี้เป็นวินัยนี้ไม่ใช่วินัยเป็นต้นนะแล้วก็อันที่ว่าที่ก่อเกิดการโจ์การฟ้องร้องกันจะมีก่อขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องอาบัตินะครับว่าคนนั้นต้องอาบัตตัวนั้นตัวนี้นะเนี่ยแล้วก็ที่สามอาปัตตาที่ก่อมีการต้องอาบัติเกิดขึ้นครับถ้าเราต้องอาบัตปุ๊บเราถือว่าเรามีอันที่กรนี้เกิดขึ้นแล้วนะ แล้วก็ละงลับไปด้วยการปองอาบักนะครับอืแล้วก็กิจจที่กอรมีกิจที่สองต้องทำนะครับเกิดขึ้นนะก็คื อ, อไอ้สังกรรมสี่อย่างนะครับเนี่ยปะโลกนักกรรมเป็ต้น <c oughs> นี่นะอธิกรในสี่อย่างนี้ถ้าบอกว่าระงับแล้วตา่างสมควรแก่ทำเห<ม>็นไหมเพราะว่าพอที่กองแต่ละอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการระ ง, งับอทิกรนั้นนะ ที่ก่อนคือเรื่องรางหรือคดีความที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเกิดการทะเลาะกันเรื่องทองเรื่องวินัยพระสงฆ์ก็เลยมาประชุมกันใช่ไหมแล้วก็มานะครับมาอะไรละง้าที่กรณ์ น, นี้โดยใช้วิธีสมมุขถามวินัยอาศัยความพร้อมหน้าบุคคลพร้อมหน้าสงฆ์พร้อมหน้าทำนี่นะแล้วพาะวิว น, นัยความนับมากระถิบมาเอาไปค้นหลักฐานออกมานะบาลีเรกสาดีคมพระเจ้าแต่งมันยังไง อันไหนเป็นทำไปวินัยถูกไม่ถูกนะครับก็มาวินิจฉัยกันอย่างนี้นะและก็สารวินิจฉัยได้ น, นะครับถูกต้องเลยต า, ต, าตามทำตามวินัยทุกอย่างนะอย่างนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างยกตัว อ, อย่า ง, งนี้และก็พอถูกต้องนะที่สุด ก, ก็รู้ทั้งรู้ว่าอที่กเรเนี่ยที่สงงามเนี่ยมันเป็นไปถูกต้องตาทมทำวินัยใช่ไหมครับก็ไปรื้อฟื้นทําขึ้นมาใหมา่ครับรื้อฟื้นทําขึ้นมาใหม่นะ ถาว่าอธิกรณ์มันละงับเนื้อไม่ดีมันใช้ไม่ได้ต้องทําใหม่นะครับหาพักหาผัวแล้วก็มันจะประชุมสงเพื่อลือ้ออธิกรณ์ใหม่อย่างนี้นะคราไม่ได้เนี่ยที่แช้ไม่ต้องบัดปานิตีคี่อย่า ง, ง น, น, างนาางงี้นะครับนอกจาก ว, ว่าอธิ ก, กรณ์นั้นมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยมันระงับไม่ดีนะไม่ถูกต้องเราเป็นกรคำที่ไม่สมควรอย่างนี้นะทำอย่างนี้ก็ได้ไงถ้าอย่ า, ง น, า, ยางนี้เราลื้อฟื้นใหม่ได้นะครับถ้าที่ไม่ไม่ถูกต้องนะ แต่ถ้าที ALLY, is, ่ถูกต้องและงามดีแล้วเนี่ยจะดื้อฟื้นไม่ได้คะถ้าดื้อก็ต้องแบบไปตีในสิขานบนนี้นะไปนะมาดูต้นมันอยู่ที่ 608.9 6 8 9ครับ700นะ หกร้อยแดสิบเกรื่องจักรพีเรื่องพระจักรพรีนะครับโดยสมัยนั้น พ, พระภพาพู้ไดเจ้าประทําอยู่ น, นประเชดวันอาราของอนาถาบิดาข่าบดีเขตพระนครสามวันทีครั้งนั้นพระจักรพีรู้อยู่ฟื้นอธิกรที่ทําเสร็จแล้วตามทําเพื่อทําอีกนะครับเนี่ยหน้าอาทิกรเขาทำเสร็จแง้อแล้วเราตามตทำตามนี่แน่ถต้องทอย่าง ด้วยกล่าวหาว่ากรรมไม่เป็นอันทําแล้วกรรมที่ทําแล้วไม่ดีกรรมต้องทําใหม่อื่นะครับกรรมไม่เป็นอันทําเสร็จแล้วกรรมที่ทําเสร็จแล้วไม่ดีต้องทําให้เสร็จใหม่อื่นะครับบรรดานิีสุที่เิมพุ่มมากน้อยสันโดษอังคัตเพ่งเทอดีเตรียมบุขนะว่าฉะนายพระจัมพะคีรู้อยู่จึงได้เคยอธิกรณิททาเสร็จแล้วอามทําเพื่อทําใหม่เล่าแล้วลกล่าวถึงเรื่องนั้นแด่พิมพ์พระชาติจ้า พู้ทรงก็ทรงสอบถามทรงติดเยี่ยมปิชาปะคีแล้วก็มายาสิกขาบทนี้ขึ้นมานะครับถ้าที่หมายว่าพวกปิสุชาปะคีนะ่ะไปยังสํานักของปิสุนั้นนั้นนะแล้วพูดคํำย่อโย่ไปมามีอาที่ว่ากังไม่เป็นอันทำคือไม่ให้การยืนยันด้ยวยความเป็นเรื่องควรยืนยันนะครับต้นนะ น, นะครับแล้วผก็มายาสิกขาบทนี้ขึ้นมา เนี่ยใครดูวินัยปิดดองหน้าหกร้อยเก้าสิทนะท่านจะพูดถึงนะครับเขาว่ารู้อยู่อันนี้ไม่ยากต่ามทำต่ามทำก็คือที่สองกดีบุคคลกนดีนะทําแล้วต่ามทำตามสตุสานนะครับต่ามทำตามวินัยนะก็ตามคําสอนพระพุทธเจ้านะครับใช้สมถะแต่ละข้อที่สมควรแก่ที่กรน้ำมันระรับถูกต้องตามคําสอนพระพุทธเจ้านะครับอธิกรน์ยไงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจับนะครับ ต้องจัดนะต้องทํามีสี่คือวิวัฒาทิกรเนี่ยว่าไปแล้วการทะเลาะวิวาส น, นะคอนุวัทาทิกรเกิดการจดฟ้องกันนะครับอปาปทานทิกรมีการต้องอาบัติแล้วก็จิตญาทิกรที่ก็เลือกที่ ก, ร, กรเลือกสมถะเนี่ยเราจะไปเจออนตอนสุดท้ายเลยนะครับหลังจากพอไปอปีจบแล้วมันจะมีอะไรไปเทศนียะใช่ไหมครับแล้วก็เสียขียว่า แล้วก็ที่กระนนสมถานนะครับที่กองแล้วก็ที่กระนสมถานสุดท้ายเลยนั่นนะจะเจอท้ายสุดราหลีตรงนั้นนะครับนี่เรามาดูคาอธิบายนะครับในทางข า, นาหน้า่หนึ่งนสอง้อยสี่สิบเก้ายี่สิบแปดแปดสองรยี่สิบแปดนะครับ อ่าหน้าสองอยยสิปดข้อที่สามยอหน้าสุดท้ายข้างล่าครับการอธิบายอุโกโตะนาสิกขาบทนะรัพึงสร้างอธิบายสิกขาบทที่สามต่อไปคําว่าโดยชอบธทมยะถาธรรมได้แก่โดยทำที่พุทธพ่างเจ้าทรงตัดไว้สําหรับระงับอธิกรอย่างเหมาะสมนะอย่างเช่นอายนะวิวาทานอธิกรณ์การพะลอะกันเรื่องความเรื่องวินัยนี ต้องเงี่ยด้วยอะไรครับท่านจะเงีง่ยงสมมติฐานสองอย่างนะคือด้วยสามุขามวินยัยแล้วก็ด้วยเยปุยสิกาสามุขามวินัยก็ด้วยความพร้อมหน้านะครับพร้อมหน้าสงพร้อมหน้าบุคคลพร้อมหน้าธรรมแล้วก็พร้อมหน้าอะไร <c oughs> พร้อมหน้าวินัยนี่ไหมนะครับไงพร้อมหน้าสี่อย่างนะจะต้องมีารายละเอียเจอข้างหน้านะครับมีการต้องมาทขาการสงนะ แล้วก็คูก่กรณีต้องเรียนมาคุยกันใช้สมถะสมบูรณ์ ม, มัลลังค์อย่างนี้ะครับพยโยสมขารวินัยนะเนี่ยใช้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าใช้เยปูยสิกามก็ได้นะครับเยปูยสิกามเป็นเอาเสียงข้างมากครับใช้เสียงข้างมากนี่ก็ได้นะแต่ต้องเป็นเสียงข้างมากที่เป็นธรรมวาทีนะครับเป็นธําเป็นวินัยนะมีปกติการธรรมนะครับจาวเสียงข้างมากที่แป็ธรรมวาทีไม่ได้ เสียงามาทีเปลี่ยนธรรมวันที่ไม่ได้นี่นะคําว่ามิหัตตาที่กรนะครับเนี่ยตาที่กระหนังนะได้แก่อธิกรที่ได้รับการชําระแล้วอธิบายว่าได้ระ ง, งับลงแล้วด้วยธรรมที่ทรงตัดไว้ในสมถะขันติกะเท่านั้นส่วนวิธีการระ ง, ง้ออธิกรนั้นจะได้กล่าวในอธิกรอธิกรณร์นั้สนะมถะเจ็ดสุดท้ายเลยนี้ม่มีฟูสุดท้ายเลยนะ คำว่าหรือฟืน้นเพื่อทําใหม่ปุณะกรร ม, มายะอุโกโตเตยะได้แก่เข้าไปหาพิสูรรูปนั้นๆนะครับนี่แนหะไปหาพระหาพวกนะแล้วกล่าวว่ากรรมไม่เป็นอันทำกรรมยังทำไม่เสร็จขด ค, คุยขึ้นเพื่อทําใหม่ไม่ยอมให้กรรมนั้นตั้งอยู่อย่างเดิม น, นะเมื่อไปสู่ทําเช่นนี้ต้องบัดปางจิตตีนะครับเนี่นะไปรื้อฟืน้นเพื่อทําขึ้นใหม่นะครับอันนี้ โดยการแต่ไปเสวงหาฟังพู่ใช่ไ้มหรือไปหาพิสูจน์รูปนั้นๆ น, น, น, นคะครับเพื่อจะทําขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ น, นคะครับไม่ได้เลยอส่วนที่ก่อนที่เล่าการชําระแล้วโดวยชอบทำก็เป็นําระดีแล้วอยู่อย่างเดิมนะครับไม่กาเริบนะที่เขาชําระแล้วก็ถือว่าชําระดีแล้ว น, นคะครับที่ทําขึ้นมาใหม่คืื้นขึ้นมาใหม่นะก็ะไม่มีผลอะไรนะแต่คนที่ดื้อคืขึ้นมาใหม่ไม่ได้ต้องบัดปลากิตติ ถ้าคัดค้านในกรรมที่ยังทําไม่เสร็จเนี่ยถ้าจะค้านก็ต้องค้านตอนที่ทํายังไม่เสร็จถ้าตัวไม่เห็นด้วยนะนะครับเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วเป็นทํามเป็นวินัยเรียบร้อยแล้วนะจะมารืฟื้นจะมาอะไรใหม่หลังนี้ไม่ได้นะครับต้องค้านตอนที่เนี่ยกําลังทําใช่ไหมเข้าไปโบสถ์เพราะกำลังมือใช้กําลังทำเนี่ยนะเราไม่เห็นด้วยก็ค้านตอนนั้เลยนะครับอันนั้นได้ต้องแจ้งให้สงทราบก่อนจึงทํากรรมนะครับ ก็ต้องแจ้งสงสารก่อนนะเราถึงทํากรรมได้นะครับหา่างคําต่างไปจากนี้กรรมใช้ไม่ได้รวมถึงเป็นอาบัติแก่ผู้ศึกษาที่ร่วมกันทํานะครับห mm. มายความว่าถ้ามีการทํากรรมลับหลังนั้นไม่ได้นะครับ mm. ก็ทําพร้องหน้านะแจ้งสงสารก่อนแล้วก็เอาคู่กรณีเนะี่ยมาคุยกันนะครับมาชำระในที่พ้องหน้าเลยอันนี้นะ mm. เหตุเกิดแลประเภทอาบัตินะครับ mm. ต่อนะครับ แห่เกิดแรกประเภทแห่าอาบัตดนะครับสุขามบทนี้คุณพระาพ่างเจ้าทรงปราวุธพิสุทธิ์จกเป์คีในเมืองสามวันทีบัญญัติไว้แล้วเพราะเหตุคือการเลือกที่กองเป็นสาธรธนาบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับนี่นะยาประน้ำพีคุณีแล้วก็อนันติกาไม่เกี่ยวการใช้ต้องรื้อพืชเองถึงต้องอาบัตดเดี๋ยวมึงจะเอานะคำที่บานในคอมพิม์บริบาลมาที่บานฟังพราะเราได้เห็นภาพครับ ไม่ได้เข้ารู้ที่ก่อนเราทําไปเลยที่ถึงจะต้องาบันนะแต่นี้เดี๋ยวว่าตรงนี้ก่อนเป็นอาบัตทุกกฎสําหรับพิสูจน์เรานี้คือกรรมที่เป็นธรรมแต่พิสูจสงสัยนะครับแล้วก็ไปรื้อฟื้นใช่ไหมวาดทุกกฎกรรมที่ไม่เป็นธรรมพิสูจเข้าใจว่าเป็นกรรมที่เป็นธรรมหรือสงสัยอันนี้ก็ต้องอาบัตทุกกฎนะครับแต่ว่าถ้ากรรมที่เป็นธรรมนะแต่เราเข้าใจว่ากรรมไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ไปรื้อฟื้น เนี่ไม่ต้องอ่านบันนะกรรมมันเป็นธรรมอยู่แล้วแต่เราไปเข้าใจผิดเอ๊ะเนี้มันใช้ไม่ได้นะไม่ถูกต้องใช่ไหมไม่เป็นธรรมแล้วก็ไปรื้อฟืนขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ต้องอ่านบันนะครับเพราะคนที่ต้องรต้องรู้นะว่ากรรมอีิกรณ์งดงามและด้วยธรรมด้วยวินัยใช่ไหมรู้อยู่แก่ใจนะครับแล้วก็ไปรื้อฟืนขึ้นมาใหม่เพราะนั้งใจเป็นอัติสมใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเข้าใจผิดนั่นก็ยังไม่นะครับถ้าเราสงสัยนี่ไม่ได้อะไรสงสัยนี่ก็โดนทุกมกนะครับ อนาบัตนะครับไม่เป็นอาาบัตสําหรับที่สูรเหล่านี้คือไม่ว่ากรรมจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นก็ตามแต่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมนี <tahun> ่นะนะครับกรรมเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแต่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมนี่ก็รู้ฟื้นได้ได้สร้างว่ากรรมนั้นทําหรือไม่ชอบทำทํำโดยเป็นวัตนะครับก็ทํำโดยเป็นว่างยังไงน่ะก็คือสมอยู่ในสีมาเดียกันนะครับ ไม่ได้ทํากรรมร่วมกันนะไม่ไทํากรรมร่วมกันพ้นธํามดาอยู่ในสีมาเดียวกันที่มื่อเข้าไปในโบกแล้วนะก็ต้องรุปคําเนี่ยสบายนะครับแล้วก็มาทํากรรมร่วมกันอย่างนี้นะครับจะแยกแถวบานกันแล้วก็มาทํากันอย่างนี้ไม่ได้นะแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายนะครับมีอะไรนะพวกโบกพวงโลกนี้นะไม่ยอมร่วมกันนะครับคุณก็ทําไปทคุณจะทําพวกนี้แหละนะครับในนี้ไม่ได้นะครับถือว่ากรรมเป็นวัดนะ ก็ต้องมาค่อยสบาย ท, ทากรรมรวมกันทั้งหมด น, นะครับกรรมทำหรือไม่ชอบทำเนี่ย ม, มีหลายอย่างนะนี่ก่อนกรรมที่ไม่ชอบทำเขียนว่าทํากรรมรับหลังเป็นต้นนะครับหมายความว่าเมื่อมีการผู้สูงไหนที่ทําผิดอะไรใช่ไหมจะถูกสงลงกรรมลงโทษนะครับด้วยการสวดน้ำลงกรรมเป็นต้นเนี่ยต้องบุคคลที่เข้ามาเนี่ยธรรมะในทํามกลางสงนะ แล้วลงกำครมบนะครัจะทํากำร้ามหนังไม่ได้นะเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในบทเลยสวดลงกำเขาเป็นไรครับปตบทานชนียากำไร่มาจากว่านี้เลยนะอันนั้นไม่ได้นะครับโดยจะไม่รู้สึกเลยยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยนะอย่างนั้นไม่ได้ต้องทําต่อหน้านะครับนั่นชื่อว่าไม่เป็นธรมันก็ทําไม่ขึ้นนะไม่สอบถามก่อนแล้วทําไม่ทําตามปฏิญญาก็ต้องเข้าไม่ให้อะไรนะหักรางน้ําใจทําไปอย่างนั้นนะครับ ต้อเรียมาข้ากลางโสงใช่ไหมสอบถามก่อนนะครับสอบสูว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วก็ทําตามคําบัชญาเข้ทาที่เข้าหลับนะครับอืมอันนี้เป็นต้นนะเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างจะมีการโจทย์ก่องถ้ว่าเขาทำผิดใช่ไหมแล้วเขาให้การนะครับแล้วก็ไม่โจทย์กล่องเนี่ยนะไม่ให้จุ้ยให้การแล้วก็ไม่ปราบบทแล้วทาําเปทาทพฤติกรรมไม่คุ้มทานะครับหรือ ก็ต้อง ต, อตางคำปฏิญญาขเข้าจริงๆนอกจากว่าแบบเห็นกันจัดจ้าอะไรอย่างงั้นเลยใช่ไหมแต่นี่มันไม่นั่นติดต้องตามคำปฏิญญาะถึงขนาดว่าเป็นประราชิกแล้วอย่างนี้เนี่ยะก็ต้องตามคําปฏิญญาแกอย่างนี้พ่อไม่เห็นจัดจ้าใช่ไหมแกเขมบอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงท่านนะอยู่ในที่รักกับผู้หญิงสองสองเขาได้ยินเสียงหมือกว่ามีอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหม แต่ท่านก็ปฏิญาณอ้าวผมอยู่ในที่รักกอบผู้หญิงกจริงแต่ผมไม่ได้ทำเลยเนี่ยผมยืนเฉยคุยเรื่องทั่วไปอะไรอย่างนี้ะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอันมีอะไรกับผู้หญิงประมาทชิดแนะครับเอืมนั่นนต้องทำตามปฏิญาณนี่กรณีที่ส่วนมที่สุขเขาดูเขาแอบดูแล้วก็ถ่ายดูอ้าวเนี่ยนะครับเนี่นะทางน้ำทางเขาใช่อันนั้แก้ตัวไม่ได้แะแก้ตัวไม่ได้แล้วนะ มันจะมีบางอย่างเขาจะมีรองกรรมนะครับถ้าพิสูนที่แบบเขามีความคุยไม่ดีนะแต่ก็สงก็ยังแบบคือ ย, ยังไม่เห็นกับจั่าว่าแกมีปราชิกแล้วครับแต่มีกรณีสงสัยเยอะหน่อยเนี้ยนะแล้วเวลาถูกก็สงสอบสวน ก, ก็แกปฏิ ญ, ญารับแล้วก็ปฏิเสธปฏิเสธแล้วลับคร<ะ>ับให้การกลับไปกลับมาครับนนะครับถ้าลักษณะนี้สงก็จะรองกรรมนะเขาเรียกว่าตัดสาปาปียสิกากรรม จะไม่เขาเรียกนั่นนะการที่ลงแกพิสูจผู้ชั่วช้ามันครับผู้กลับไปกลับมาอยานี้นะครับโดยถือว่าถ้าแกเป็นถ้าแกยังไม่ขาดความเป็นผ้านะนะครับถ้าแกยังไม่ขาดความเป็นผ้าแกก็จะกลับตัวกลับใจใหม่ใช่ไหมครับก็จะบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าขาดในความเป็นผ้าแล้วเนี่ยแกก็จะตายทั้งเพลนเน่าทั้งดลีในสนาม น, นี่ น, นะะถ้าไม่ยอมศึกออกไปนะครับ อสมณะไั่งในนั่งก็งเชื่อของพระเออเชื่อของพ้านี่แหละต่อไปนะครับเออหรือทําแก้ปิสุผู้ไม่ควรแก่กรรมครับเพราว่าเขาไม่มีความผิดอย่างเนี้ยลงกรรมเขาทำไม่ได้ไล่ปิสุบ้างเป็นต้น สุขคันวันนี้มีองสาเหล่านี้คือหนึ่งเป็นกรรมที่ได้รอบการชนราแล้วดยชอบทำสองรู้อยู่รู้อยู่แก่ใจว่าเนี่ยชอบทำนะสามหรืออธิกองขึ้นกไม่ยอนหรือฝืนอาใหม่สมุทฐามเป็นต้นก็เช่นเดียวกับอธินาทานสุขาบทคืออะไรครับกายจิตกายจิตอธินาทานกายจิตวาจาจิต กายวาจาจิตมันต้องมีจิตใช่ไหมจิตที่จะเป็นกุศลเป็นโทสะรู้ท่องรู้นะครับว่าถูกต้องแล้วนะเนี่ยจิตรท่องรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปรื้อฟื้นด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้อยู่ทั้งกายและวาจาครับตังแต่สิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาเท่าเนี่ยนะใจเป็นโทสามไม่พอใจนะจบการทิวายอุโกตันะสิกขาบท เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะที่เขาไปรื้อฟื้นใหม่ทำยังไงนะครับไมอน่ด <c oughs> นนี่ครับอันนี้ัมว่าการฟื้นสิบสองอย่างเป็นไฉนนะคฟื้นกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กรรมยังไม่ได้ทําอันนี้ก็คือหรือฟื้นได้มีปัญหากรรมที่ทําแล้วไม่ดีกรรมที่ต้องทําใหม่เพราะว่าไม่เรียบร้อยใช่ไหมเราทำไใหม่กรรมที่ยังทําไม่เสร็จนะครับมันวินิจฉัยไม่ลงตัวเนี่ยนะก็ทําใหม่ได้นะครับกรรมที่ทําแล้วไม่ดีกรรมที่ต้องทําอีกกรรมที่ยังไม่ได้วินิจฉัยกรรมที่วินิจฉัยไม่ถูกต้องกรรมที่ต้องวินิจฉัยใหม่กรรมที่ยังไม่ระงับกรรมที่ระงับแล้วไม่ดีกรรมที่ต้องระงับใหม่ นี้การฟื้น12 อ, อย่างถ้าเป็นอย่างนี้เราก็รื้อฟือน้นได้นะเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะครับเ อ, อด้วยอาการ10อย่างเป็นฉไหนจึงนัาว่าฟื้นคือฟืออ้นอธิยวะทก่ซึ่งเกิดในที่นั้นนะครับมันที่อวัยวนะน่ะเกิดเรื่องราวนั้นนะเกิดขึ้นในวันนั่นหละนะครับแล้วก็ส่งในวันนั้นก็สามารถมั่นคงกันได้เนี่ยนันก็ไปรื้อฟื้นขึ้นนะก็จะต้องาบัำนะครับ ฟื้นอธิกรณ์ซึ่งเกิดในที่นั้นแต่นานนับแล้วฟุ้นอธิกรณ์ในระหว่างทางฟื้นอธิกรณ์ระหว่างทางหมายเพราะว่าในวัดเขาเขาเคลียร์กันไม่ได้นะครับเขาก็เลยเดินทางไปหาพระวินัยทองนะก็พากันไปเลยนะครับทั้งกลุ่มนั่นแหละทีนี้พอไปถึงระหว่างทางแล้วก็สามารถชำระกันได้นะครับฟื้นอธิกรณ์ซึ่งไปแล้วในที่นั้นฟุ้นอธิกรณ์ซึ่งไปในที่นั้นแต่นานนัแล้ว ก็ไปถึงว so ่าท so ี่พระวินัยทองอยู่เดียวแล้วก็ลำนำใช่ไหมนะครับฟุ้นสติวินัยครับสติวินัยที่ให้แก่ผ้าละหันนะนะครับเดี๋ยวจะเจอข้างหน้านะครับผ้าหันเคยอธิบานเข้างค้างเนี่ยยางไรใช่ไหมยังเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอในสังขา้มิตรว่างคุณสติวินัยที่ให้แก่ผ้าละหันนะครับผ้าละหันเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติบริบูรณ์แล้วใช่ไหม ทีนี้มีคนมันโจทย์ท่านด้วยอาวัต น, นะครับว่าท่านโจทย์ด้วยธรรมปราชาที่ไม่มีมูลเป็นต้นเนี่ยนะอย่างเช่นท่าอะไรนะเม่เตียภมิจัการใช่ไหมที่ตามาาาลาวีพัะท่าฟ้ามรบุตรนะคะรับอามโจทด้วยแบบป ร, ราชาชีอีกนะาสองสามครั้งแล้วคุณนี้เขาไม่ยอมนะทีน่เขาก็รู้ว่านีพระพระท่าฟ้ า, า, านมนบุตเป็นพระละหันนะครับถูกคุณนี้โจทย์คุณนี้ก็มาเบียดเบียนใช่ไมดันงนั้นท่าต้องลาบากก็อคอยให้การอ่นี่นครับ เนี่ยพระสงก็จะสวดสติวินัยให้ท่านว่าทํารูปนี้นะเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์ครับถ้าใครจะมาโจทท่านอะไรไม่ได้อีกครับพอสงให้สติวินัยอย่างนี้แล้วนะทีนี้ใครจะมาโจทท่านไม่ได้นะครถึงมาโจทย์ก็ไม่เป็นอันโจกนะครับทีนี้มาโจทก็จะถูกพระสงฆว่าเนี่ยเนี่ยครั บ, รบซึ่งสติวินัยนี้ให้แก่พระแล้วแล้วพืนไม่ได้ถึงว่าให้แล้วนะถูกต้องตามธรรมนะครับช่วยอามุนหาวินยัย ที่ใหแกไปสู่บ้าบ้าแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับแกก็ทำผิดวินัยข้อนั้นข้อนี้นะถึงขนาดว่าปลาชิกก็แล้วแต่นะแต่แกบ้าแบบเสียสติไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะทีนี้พอแกอแกหายบ้าแล้วใช่ไหมก็ยังมีคนมาโจทย์ท่านด้วยอามบัต ท, ที่แกทําเวลาเป็นบ้า น, นะครับเราก็บอว่าผมไม่รู้เรื่องผมทําไมว่าผมเป็นบ้าแล้วผมเลิกอะไรไม่ได้จริงไม่รู้เรื่องนะครับ แต่เขาก็ไม่ยอมใช่ไหมจะตามหาเรื่องโจท่านแน่ๆท่าก็ลาบากนะครับพระสงฆ์ก็จะให้อำมุนหามีินนะไม่มีใครมาโจท่านได้บบนันนะถ้าทไ่ได้ถ้าปบ้านาที่เป็นตํารวจอยู่ก็จะทำศักับนั่นแหละทำไม่ได้นะเขาจะก็จะมีการสวดนั้นเองนะบางรูปบ้าขนาดว่าเดินเข้าเดินออกเวลาสงฆ์ทำกรรมเนี่ยไม่รู้เรื่องนะ ทีนี้พุทธองค์ก็จะอนุญาตให้มีการสวดว่าถ้าพาพรุ่นนี้ที่เป็นบ้านนะแกจะอยู่ในหับธรามก็ดีนะหน่อยธรรมก็ดีเนะี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการทําให้กรรมเสียไม่ถือว่าเป็นประมาทพราเวลาเข้าทํากรรมเนี่ยต้องอยู่ในธรรมะด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นบ้านก็เดินเข้าเดินออกเดินไปทั่วอย่างนี่นะถ้าเป็นเรื่อ ง, องเขาจะทําให้กรรมเสียนะก็จะมีการสวด ว, ว่าถ้าไม่ประมาทนะก็คือว่าการมไม่เสีย ไม่เป็นวักไม่เป็นอะไรเท่า น, นั้นเลยครับก็บ้บานไหนครับที่ว่าจุดแบบไม่รู้เรื่องเลยในประลาชีพหนึ่งที่เราเรียนไงแยกแยกไม่ได้ระหว่างอะไรเนะี่ยอุจจระใช่ไหม <c oughs> กับทอองนะครับนะหรือว่าไฟครับไฟกับไม้จันหอมเนี่ยนนะที่แยกแยกไม่ได้เลยนะครับแล้วปลาหมูนะ เข้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอันครับอันนี้บ้าหมดเสีสติไม่รู้เรื่องนะครับไม่่ไมถึงขนาดบ้ากว่านั้นนะไอ้ผู้นี่มันยังรู้เรื่องบางบางทีนะแต่นแบบไม่รู้เรื่องไม่มีสติไปเลยนะครับใครมีคนที่เขาเป็นบ้าชั่วขนาดนีบ้าแบบไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าไอ้ช่วงนั้นนะไอ้ช่วงที่เขาเป็นบ้าขนาดนั้นนะมันเหมือนก็หายตัวเลย เขาเล่าอะไรไม่ได <Tr> ้เลยว่าเข้าไปทําอะไรมาหาไอ้เต็มบ้านมองมองกังความรู้สึกมันหายไปหมดเลยนะแกรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่หายบ้าในะครับเนี่ยเขาเป็นอย่างงั้นเลยนะต้าบ้านหันเลยนะครับใช่เห็นคนแบบบ้าตลอดเลยนะบ้าเป็นคัาเป็นคาเลยไม่เคยเห็นบ้าเป็นผีบ้าอย่างนี้ครับสรุปปาสาบปีญสิกาที่ไอ้แก่พิสูจผู้ชั่วช้าเมื่เชีย ให้การกลับไปกลับมาฟื้นตินหน้าวาันการนะครับตินหน้าวาันการเป็นเกียวกับว่าที่สุขอะไรนะ่ะมีการทะเลาะวิวาสกันในวันนะแล้วก็เกิดแตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายมีพักมีพ่วงนะครับแล้วก็ด่าว่ากันหน้าดูเลยนะทั้งทางการวาจานะกัะพบกระทั่งกันนะจะมีลงมา้าลงมือกันบ้างดา่าเฉียวสีกันบ้างนะครับว่นี่หนักเลยนะครับ แต่ที่หลังก็นะครับมันเลึกถึงความผิดของตอนเองได้นะทั้งสองฝ่ายโอ๊ยพวกเราทํากรรมที่ไม่สมควรแล้วนะครับอยู่ภาพ ม, มาทางี้ได้งไงมามอัดตงมันนับพิธีใช่ไหมบางทีไม่มีอะไรอย่างเงมัน่นถือมั่นกันได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าจะมาสารภาพแล้วก็ปรับอาบัติกันอย่านี่้นะนะครัอธิกรณ์จะยิ่งหนักขึ้นไปใหญ่นะครับเพราะจะมารู้ความไมดีของกันและกันใช่ไหมแต่ยิ่งสั้นกัน จะไม่มาสารภาพมาอ่านโจกอาบังจริงนี้ไม่ได้นะ้วะดู้ถูกองค์กรอนุญาตให้นะครับและเอาอธิกรณ์นี้นะ่ะด้วยติตนวัตฐ า, านอากะคือกรบวัดเหมือนกับกลบด้วยยากนะครับอย่างนี้นะเมือ่อบุคคลนี้เวลาไปเจรจาปัสสาใช่ไหมแล้วก็เอายากไปกรบไว้กิ่นเม็นมันก็จะไม่ออกมาอาธิกรณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ต้องไปสารภาพไปแสดงอาบังอะไรหรอกแค่ว่าให้มีการสวนนะ เขาจะส่วนหลายครั้งประมาณสี่ห้าครั้งนะครับพอสวดจบแล้วนะแม้แต่ที่สุดที่หลับอยู่ในที่นั้นนะ่ะก็ถือว่าอาบัตที่ใคยต้องครับหลุดทั้งหมดนะเว้นอาบัตหนังนครับกล้ยสังหาริเศษนี่ไม่หลุดนะ mm hmm. เว้นอาบัตที่เนื่องด้วยครึงหันอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่หลุดนะอารบัตที่เหลือนี่ก็หลุดหมดนะครับหลุดหมดเลยนะ mm hmm. อันนี้อันนี้ก็ฟื้นไม่ได้นะครับทีน้ำมันฐานกาันก็ฟืยไม่ได้ พได้สติแล้วรู้ได้ว่าชีวิตดีอะไรเี่ย่ยใช้รู้ฟื้ต่อความยาวสาวเจะแยิ่งโอ้โหมีเรื่องเวลากันใหญ่นะเวลาพระพุทธเจ้าทำาไม่ดีหรืออะไรเนี่ยท่านเมตจานะคะท่านอ่ารัพอเยโอพามหากรุณาี่คุณนั้นยิ่งใหญ่มากขณะว่าพระโชพคีทไม่ดีอย่างเนี่ยนะพระองค์ก็ คือก็มีวิธีนะมีความนะึกเคราะห์ถ้าว่าพระองค์ห้ามปฏิญญานี้โดยตรงเลยเนี่ยบัดดีเขจะผูกอาฆาตพระพเจ้ า, จาและจะตายไป็นตกนั่นเนะแต่พระองค์ก็มันห้ามโดยตรงแต่บัญญัติว่าต้องเป็นอย่างงี้นะมันจะมีเรื่องนะครับที่ว่าพระเจ้าพุทธคีนะไปสั่งสอนพิสุนีใช่ไหมไปสั่งสอนพิสุนีแล้วก็แกก็สอนการธรรมกถานีปนเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็พูดเอกสารกถาษทั้งวันเลย <c oughs> แลฮะทั้งวันเลยนะโอวาสก็ไม่คเคยปีญญาแกพวกพิสุนีใช่ไหมครับนี่แหละพระพุทองค์ไม่ได้ไปห้ามไปตรงนะถ้าพรงไปห้าวัานเนนี่พระเจ้า็คกีห้ามสองพิพสุนีนะพวกแกจะโกรธแล้วก็ผัวก่าพระพุทธจารย์ะครับทีนั้นก็จะตกนรบกันพระพุทธองค์ก็เลยทรงบัญบญัติมาอย่างนี้ว่าคนที่จะสังสอนพิสุนีได้ น, น่ะต้องมีองค์คุณแปดประการนี้นะครับแต่ว่าองค์คุณแปดประการนี้เนี่ยไม่มีแกพระเจ้าปะกีเลยะครับผม แม้ดูความฝันก็ไม่อย <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ่างีไงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้โกรมขนาดนั้นไม่ได้จ้างนะเขาเขารู้ว่าองค์คุณเขาไม่ไม่ได้นะแอ้ก็เลยไม่ได้สั่งสอน รบกนนันนั่นเนี่ยบางทีลาบากเกิดโทศะเกิดอะไรใช่ไหมเขาไม่ดีเขาว่าแล้วก็ต้องว่าต่ออะไรนี่นะยอมไม่ได้ยิงไม่ได้มีอัตราตัวตนเลครับไม่ได้นี่นะนี่แหละเมอกีผมก็เป็นนะมันยังไม่เป็นจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งถ้าอะไรครับีที่เป็นนะ อ๋อไม่ได้ห็นใช่ไหมครับคืออย่างนี้ถ้าผมผ ม, ผมจะยอมจริงๆนะยอมคนที่แบบเขาเขาแน่จริงๆ เ, งเนี่ยเกี่ยวข้อความพืกขลกงเนี่ยนะเขาพูดแล้วเขาทำได้จริงถ้าคนแบบนี้ยอมนะครับ<ม>แล้วก็พวกที่มีปัญญารอบครอบเนี่ยนะอันนี้ก็ยอมครับแต่ถ้าใช้อัตมาหน้ามาสั้นกันอย่างนี้ผมก็มีเหมือนกันนะอัตมาหน้าน <S <S อ่ะผมไม่ยอมนะช่าลักษณะนี้น่ะบางบางทีมันเกิดกิเลสนะ แบบโอ้ยให้แตกห่างกุชางนละขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเอามาหน้า ท, ท, ที่เอาอารมณ์มาใส่กันน่ะนในงไงใจมันจะไม่ยอมเลยแต่ถ้าเจอคนแบบที่เข้าแน่จริงๆนะเขาขัดเกลากเข า, ข า, ขาอะไรได้หรือมีปัญญาลอบข้ขอมันก็เรายอมเลยยอมที่เขามีคุณธรรมเนี่นนยรู้สึกต่กางกันแต่บางทีเราก็มนกันนึกเวลาไปมีอะไรเอง น, นะอ้เวลากูสอนมันเกิดจริงๆนะมันนึกได้ความจริงมันไม่มีอะไรเลยอัตราตัวตนไม่มีเลยใช่ไหมครับ มันไม่มีจริงนะมันมีแต่อะไรลูกประทมนามมันทําที่มันเกิดแล้วก็ดับไปนช่ไหครับเรามายึดมั่นถือมั่นอัตตาส่วนตนนะโกรธเคืองมีฝังมีฝ่ายแค่อะไรนี่นะครับอันนั้นตอนที่กุศลมันเกิดแล้วนึกได้แต่ตอนที่ไอ้กุศลเกิดนี่โอ้หน่าดูเลยนะครับบางทีนีะ อดีตก็ต้องอาศัยกูบาจาร์ครับเนี่ยฟังเห็นผลอะไรเยอะๆเนี่ยนะที่ทำให้ใจเราเป็นย وني โซได้ น, นะคะนะรับนั่นเปอยู่อย่างมากอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าบุคคลประกอบด้วยองคศีเป็นไงนะนะครับชื่อว่าฟูยัติกอรประกอบด้วยองศีคือประกอบด้วยอคตินะครับมีด้วยความประกอบด้วยอคติคือรักโกรธหลงครัวเนี่ยนะ แล้วก็เป็น้อฟื้นอธิกรณ์นะครับอันนี้พวกนี้ต้องอาบัญนะครับเพราะว่าอธิกรณ์มันก็ก็ไปแสดงอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยนะแล้วเรบอกว่าบุคคลสี่จำพวกเนี่ยทั้งฟื้นอธิกรณ์แล้วก็ต้องอาบัตินะครับคือปีสูผู้ประสมบทในวันนั้นนี่นะปีสูอาคันตุกะนะครับปีสูผู้ทํากรรมนั่นเองนะกรรมมาลื้อฟื้นสิเองนะครับแล้วก็ปีสูก็ให้ฉันทาามอบฉันท่าฟังพอใจไปแล้วนะแล้วกลับมาลื้ฟื้นนะครับ อันนี้ต้องบัติอย่ดีหมายถึงว่ากรรมนั้นเป็นธรรมแล้วนะกรรมนันเป็นธรรมอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากรรมไม่เป็นธรรมเนะี่ยท่านก็สา ม, มารถาจะดืฟื้นในะ<ม>้นทนะําใหม่ได้แต่นี้กรรมเป็นธรรมนะเป็นรฟื้นเหมือนกันทีนี้ก็ท่านก็ยกตัวอย่างมาตัวอย่ากม า, นะ จ, ะ า, กมาจะใหฟังกันละกันครั <c oughs> ท่านก่าว่านะอ่าพิสุเป็นพระวิ น, นทองเมื่อสแสดงธรรมว่าธรรม อาทิใช่ไหมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวิ น, นัยท่านแสดงว่าเป็นธรร ม, มหรืออาชกรที่สงวินิจฉัยเสร็จแล้วในการก่อนด้วยการรื้อสิบสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ชนที่รับมีอุปชาเป็นต้นของตนนี่ไงอุปชาอาจารลูกศิษย์ลูกหาอะไรก็แล้วแต่นะตัวเองรักมีฝ่งเป็นขวายใช่ไหมก็เลยไปแสดงสิงทธิ์เป็นอาธรรมว่าเป็นธรรมการบิดเบือนไปนะ อันนี้ชื่อว่าถึงฉันทะกติหรืออธิกรณ์ น, นะครับไม่ได้ไม่เราต้องไปตีก็ในพ่สุจนผู้เป็นข่าศึกกันสองรูปพิสูจผู้มีอาฆาตในฝ่ายหนึ่งนะครับเกิดขึ้นโดยนายเป็นต้นว่าขอได้เบิพื้นความฉิมหายแก่เราใช่ไหมเนะราไม่ชอบฝ่ายหนึ่งนะผู้อาฆาตแค้น่แค้นนะเราเนะมื่อแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมเป็นต้นหรืออธิกรณ์ที่สองที่นิฉัยเสร็จแล้วในการกอร ด้วยการสิบสองอย่างเหมือนเดิมนะเพื่อยกความแพ้นให้แก่พิสุผู้เป็นข้างศึกนั้นชื่อว่าถิมโทสามปติเรื่อที่ก่อนตัวเองโกรธนี่พอโกรธแล้มันก็ว่าจะเข้าข้ามตัวเองนะแล้วก็ไม่ชอบฝ่ายหนึ่งใช่ไหมทางที่ข้างจะพูดเป็นธรรมไปวินัยนะแต่โดยไม่ชอบนะครับก็กล่าวถึงที่เป็นไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมเป็นต้องนะครับนี่ก็ถือว่ามีโทสามปตินะ ต่อไปฝ่าพิสุผู้งมโง่งมงานนะครับไม่รู้ไม่ฉลาดนั่นเองครับเมื่อแ <c oughs> สดงอาจทําว่าเป็นธําเป็นต้นเพราะความที่ตนเป็นคนโง่งมงานนั่นเองหรืออธิกรณ์ดูในนันกาแล้วชื่อว่าถึงมงหากติเลือกอธิกรณ์นะคร <c oughs> ับก็ถ้าว่าในพิสุสองรูปผู้เป็นข้าศึกกัน ร, รูปหนึ่งเป็นผู้อิงกรรมที่ไม่สมบูรเสมอ <c oughs> อิงทิฏฐิและอาศัยผู้มีกํำลังนะครับ มีพักมีพวกนั้นเนี่ยเพราะเป็นผู้อิงการกรรมเป็นต้นที่ไม่สม่ำเสมออิงมิฉาทิถีนะครับคือความยึดถือและอาศัยปิสุผู้มีชื่อเสียงอาจจะเป็นครูว า, าจาเอ้ยมีชื่อเสียงใครก็ยอมรับถือใช่ไหม <c oughs> มีพักพวกมีกำลังนะครับเพราะกลัวปิสุนั้นว่าเนี่ยรูปนี้นะ่ะกลัวรูปนั้นนะครับผู้นี้จะพึงทําอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจารย์ของเรา เมื่อแสดงอาทําว่าเป็นธรรมเป็นต้นหรืออธิกรณ์นะครับชื่อว่าถึงพยาคติหรือพักกูเ น, นี่ยถ้าเขาพูดถึงว่าพิสุกกู้ประสมบทในวันนั้นหรืออธิกรณ์ตั้งบัง น, นะสมณีรูปหนึ่งเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้สุสูบนะครับสมณีที่เก่งๆก็มีนะรู้ทำรู้วินัยมีความรู้มากนะครับนีก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นเนนอยู่เธอเห็นในพิสุททั้งหลายผู้แพ้ในการตัดสินแล้วเป็นผู้ซบเนะครับ จึงถามว่าเหตุไรผพ้ท่านจึงพาท่านซกเศร้าพิสูรเหล่านั้นจึงบอเหตุนั้นแก่เธอว่าไปแพร่ที่กรมาใช่ไหมเธอจึงกลาวกับพิสูรเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเอาเธอดขลับท่านจะอุปสมบทให้ผมผมจะยังอธิกรณ์ให้แล้วเขาเองเพราะว่าเขามีความรู้มากครับพิสูรเหล่านั้นยังเธอให้อุปสมบทเธอตีกรองให้ประชุมสงให้สงประชุมกันในวันรุ่งขึ้น ลำดับนั้นเถื่อนผูสูตทั้งหลายกล่าวว่าสงใครให้ประชุมจึงตอบว่าผมให้ประชุมครับอะ <c oughs> ผมครับให้ประชุมเพราะเหตุใดเมื่อวานอธิกรวินิจฉัยไม่ดีผมจะไม่นิจฉัยอธิกรนั้นในวันนี้ก็เมื่อวานคุณไปข้างไหนเสียประสมก็ถามะ <c oughs> ผมยังไปอันประสามบัญฑรละเนี่ยเมื่อวานยังเป็นเงนยอยู่นะ <c oughs> แต่วันนี้ผมเป็นประสามบัญแล้ว เทวพิสุทธังหลายถึงกล่าวว่าอาุโสสิขามบท น, นี้อังพิมภาษเจ้าทรงบัญญัติแล้วะใ่พิสุทธังหลายผู้เช่นคุณเนี่ยว่าพิสูพูะสมบทในวันนั้นหรืออภิกรหรือนะครับต้องอดโกตหน้ากลับไปตีไปตีพอ่อริ้วฟูอภิกรจงไปแสดงอาบอัตสีนะแม้ในพิสุอัจฉริกราก็เหมือนกันนะเพิ่งมาที่หลังเระ ง, งับที่ก่อนแล้วทขาขึ่งมาแล้วก็มาฟังเรื่องราวนแล้วก็มาทําอย่างนี้นะ ก็ต้องบัรเหมือนกันครับต่อไปเนี่ยพิสูจน์ผู้ทำทำเองเขาก็มาลุ้ยฟื้เองนะพิสูจนทั้งหลายผู้แพ้นะครับเอาพูดกับพิสูจนรูปหนึ่งผู้ไปสู่บริเวณวินิฉัยนิติกรพร้อมประสงค์ว่าทําไมพวกท่านจึงตัดนิติกรอย่างนี้เล่าเนี่ยเพราะว่าไปอยู่ในการวินิจฉัยด้วยใช่ไหมก็พแพ้คนระับพอแพ้แล้วไม่ยอมก็กําลังพูดอย่างนี้นะเนี่ย ทำไมพวกท่านจึงตัดสินอธิกรณ์อย่างนี้เล่าขอเล่ควรตัดสินอย่างนี้ไม่ใช่หรือครับพิสูจน์ให้กล่าวว่าเหตุไรท่านจึงไม่พูดอย่างนี้อีิกรณ์นี่แหละทําไมไม่พูดเพราที่เขากำลังวิจัยกันเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วคือมาพูดนะคราบนี่ไม่ได้อันนี้นะชื่อว่าพิสูจใดเป็นผู้ทําเรื่องอธิกรณ์อย่างนี้ น, นี่ก็ต้องอำบาป ภิสุรุ่มหนึ่งมอบฉันทะในการวินิจฉัยอธิกรแล้วแล้วก็มองฉันทะที่สงนั้นเรียบร้อยมช่ไห mm hmm. เห็นพวกภิสุรผู้เป็นสภาข้างกันแพ้มา mm hmm. เป็นผู้ซบเซาจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้แหลข้าพระเจ้าจะตัดสินเอง mm hmm. ให้สงประชุมกันแล้วอันภิสุรทั้งหลายก่าวว่าให้ประชุมสงป้องเหตุใดจึงตอบว่าเมื่อวานอีิกรตัดสินดี <c oughs> วันนี้ขา้าพเจ้าจะตัดสินอธิกรณ์นั่นเอง ให้ให้ฉันท่าอยู่แล้นะครับก้อนผู้วางท่านไปไหนเสียเล่าเขาพระเจ้ามอบฉันท่าแล้วนั่งอยู่อ้ามอบฉันท่าแล้วก็มาลื้อนะไม่ได้นะครับเทอนี่เท่างหลายจึงกล่าวว่าอาวิโสสิขาบทนี้อันที่มาผพานจ้าจสมบันติแล้วแก่พิจุท่าไหลายผู้เช่นท่านว่าผู้มอบฉันท่าหรือต้องดุจโตกนากนากับความจิตจงไปแสดงอาบาัติเสียนครับเนี่ยนะที่เขาลื้อฟุ้นเป็นอย่างนี้นะ ก็ยกตัวอย่างให้ดูทั้งหมดแล้วาในที่บวชใหม่แล้วก็ไม่มีโอกาสในวิปิชัยอะไรเนี่ยครับเพราะว่ากรรมค่อนลงนับดีเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมแล้วครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นธรรมก็นื้อฟื้นนะซาบในเป็นหน้าแตกไปหน้าแตกไปเลยครับก็มีความรู้เห็นเขาแพ้ที่กอรซบเซามาเพอยากจะช่วยใช่ไมนี่แหละ ข้อนี้จบนะมาดูนะครับกรรมในกังขาหน้าร้อยเจ็ดจุดเก้าขันเป็นที่กอดูนี้ไม่เกี่ยวครับการปรลกธรรมดาอ๋อด้วยขั้นเป็นทั้งหมดเลยครับการประหลกกนกรรมนี่ก็เป็นกิจการที่ก่อดใช่ไหมครับเป็นกิจที่สองต้องทํานะอัปประหลกอะไรต่างๆตั้งกติกาใช่ไหมอัปประหลกกันกรรมหรือสมมุติจะนะที่นั่งต่างก็อย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นกรรมถูกต้องเป็นธรรมถูกต้องแล้วนะ ไปดื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะรับรู้ทั้งรูนี่นะครับก็ต้องเําแบบปอีกทีเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าเห็นว่าไม่เป็นธรรมนี่นะก็สามารถดื้อฟื้นได้นะครับถอนพระโลหิตเนแบบนีนไ้ได้ข้างได้ข้างเตะแต่ก็ต้องมติของสองฆ์ทั้งหมดในที่นั้นนะครับ อ, <ๆ S 2> <ๆ S 1> อันนี้นะประชุมสงฆ์สงฆ์ก็เห็นว่าเอาคนที่จะถอนนะอาพระโลหิกรรมตัวนี้มันบกพร่องตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทํานใหม่ก็สามารถทําำใหม่ได้ กความผาสุกของมุมข้างหน้านะครับไม่ใช่ผาสุกเฉพาะคนออกกฎคนเดียวงี้แต่คนอื่นลำบากนี่ไม่ใช่ครับผาสุกของมุมข้าหน้าาถึงการวินัยนะครับโอเคุตังที่ตนเยแต่ว่านวต้องมีกล้องเดียวครับอาจารย์อืมต้องมีกล้องเดียวสกไม่ได้ไม่ได้ข้อเรียกว่อันนี้วันเกเรียกชื่ออะไร อะไรนะคั่วอํานาจอะไเองออเปลี่ยนเปลี่ยนขั่วอํานาจัะมีสับแสงแรงรแกเรื่อเปลี่ยนคั่วอําอออนาจแต่ก็เนี่ยก็ต้องมรดิสงนะครับจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยก็ต้องลงที่มรดิสองพอไปทําตารมเพลจร้ายก็ไม่ได้นะครับลงที่มรดิสองว่าใครคร้างตัวไหนก็คือไม่ผ่านแล้วนะไม่ผ่านก็ต้องยอมรับตามนั้นนะครับ จะมาแคร์เกลื่อนอะไรนี่ไม่ได้นะเพราเราแชมมันติดสองเป็นใหญ่ะครับต้องควรที่พูดในที่ประชุมไมอควรที่จะออกมาแล้วกพูดใช่ใช่ไม่เกิดประโยช น, น์ไม่เกิดประโยช น, น์นะเพราะว่งถ้าเขาค้างที่ประชุมก็นั่นแหละมันก็ไม่มีผลอะไรก็บางทีประชุมประชุมบ่อยนะบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีเสียเวลาเีล <c> ย <ười> มีมีเป่าันะมีนช่วงช่วงช่วงข้อภาษาใช่ไหมประชุมบ่อยนะครับบดี้ผมก็ชอบนะมาแล้แต่คนนะครับคนก็ไม่ค่อชอบแต่ว่าที่ชอบก็คือมันได้คุยกันทั้งหมดไงมันไม่มีการเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นกลุ่มเป็นก๊กใช่ไหมก็คือทุกคนมาคุยกันเรื่องอะไรเกิดขึ้นน่ะมาคุยแล้วก็อาหลักฐางอะไรมาว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นมันก้มันมารู้สึกไม่ดีครับใช่ใช่ประชุมนี้ แน่นะสารานยธรรมอันนี้นนนก่น อ, อนนะปริหานี้จะทำใช่ไนหะมทาที่ทำให้ไม่เสื่อมก็ประชุมกันนิดนึงนะครื่อับแต่บตาง <c oughs> ที่ก็แบบโอ้โหเขาถึงประชุมก็ต้องแบบมีธรรมมีวินัยนะแล้วก็ มันต้องลงเข้ามาลงที่ไตสิกขาเรื่องการปฏิบัติอะไรบ้างนะครับถ้ามันจะไปลงนั่นอย่างเดียวไม่ไม่กลับมาลงที่นี่นะบางทีอ่ตามนะที่ศี่มันมีกําลังนะครัอาจจะแบบมีอารมณ์มีอะไรกันนะบางทีอาจจะลงม้าลงมือก็ได้หนักขนาดนั้นก็ต้องลงมาเนีเป็นไปเพื่อเนี่ยไหมเพื่อการทําไตสิกขาบริบูรณ์มากลับมาตัวนี้บ้างนะครักลัมาที่ทําให้ชิสุธรรมนะแล้วมันก็มันจะหลามลื่นนะแด้วยก็สบายใจ